เวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับแต่รูปขันไม่ใช่เมื่อกาลังดับบุคคลผู้กําลังอุบัติในสุท้าวาสะพูิและอสัญญสัตภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับและรูปขันก็ไม่ใช่กําลังดับร้อสสองอนุเวทนาขันของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังดับสัญญาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิ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 บุคคลนอกนี้ผู้กําลังจุติจากเจตุวโวการภูมิและปัญจวการภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นกําลังดับและสัญญาขันก็จักดับปฏิสัญญ า, ข, าขันของบุคคลใดจักดับเวทนาขันของบุคคลนั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กําลังอุบัติและบุคคลผู้กําลังจุติจากอสัญญาสัตว ภ, ภ, ภูมิสัญญาขันของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่เวทนาขันไม่ใช่กําลังดับ บุคคลผู้กําลังจุติจากจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิสัญญาขันของบุคคลเหล่านั้นจักดับและเวทนาขันก็กําลังดับอนุโลมะโอกาส13สอนุรูปขันในภูมิใดกําลังดับละถึงอนุโลมะปุคลโลกาตร้อยาสิบอนุรูปขันของบุคคลใดในภูมิใดกําลังดับ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 บุคคลผู้กําลังปรินิพานในรูปภูมิเวทนาขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับและรูปขันธ์ก็ไม่ใช่กําลังดับร39อนุเวทนาขันธ์ของบุคคลใดไม่ใช่กําลังดับสัญญาขันธ์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจักดับปฏิสัญญาขันธ์ของบุคคลใดไม่ใช่จักดับเวทนาขันธ์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหมวิ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 รูปประคันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังปรินิพานในปัญจโวการภูมิและบุคคลผู้กำลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับแต่รูปประันไม่ใช่ไม่ ก, กำลังดับบุคคลผู้กำลังปรินิพานในรูปภูมิและบุคคลผู้กาลังอุบัตในอสัญญสัตตภูมิ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 แต่เวทนาขันไม่ใช่เมื่อกาลังดับบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญัตตภูมิสัญญาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับและเวทนาขันก็ไม่ใช่กําลังดับ 6. อตีตานาคตะวาระว่าด้วยสภาวะธรรมที่เป็นอดีตและที่เป็นอนาคตอนุโลมบุคคลร้อสี่สาอนุรูปขันของบุคคลใดเคยดับ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 เวทนาขันของบุคคลใดเคยดับสัญญาขันของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิบุคคลผู้กํำลังปริญิพานเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นเคยดับแต่สัญญาขันไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้เวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นเคยดับและสัญญาขันก็จักดับปฏิสัญญาขันของบุคคลใดจักดับเวทนาขันของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิใช่ อนุโลมะโอกาตร้อยสี่สิบห้าอนุรูปรขันในภูมิใดเคยดับและถึงอนุโลมมะปุคโลกาตร้อยสี่สิบหอนุรูปรขันของบุคคลใดในภูมิใดเคยดับเวทนาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังปรินิพานในปัญจโวการะภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญัตตภูมิ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 เวทนาขันของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับมีไหมวิไม่มีปฏิเวทนาขันของบุคคลใดไม่ใช่จักดับรูปขันของบุคคลนั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิเคยดับ1้9สี่ิอนุเวทนาขันของบุคคลใดไม่เคยดับสัญญาขันของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับมีไหมวิไม่มีปฏิสัญญาขันของบุคคลใดไม่ใช่จักดับ เวทนาขันของบุคคล น, นั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิเคยดับปั จ, จเนกาโอกาสร้ 150. อยห้าสิอนุรูปขันในภูมิใดไม่เคยดับละถึงปั จ, จเนกาปุคโลกาตร้อยห้าสิบเอ็ดอนุรูปขันของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยดับเวทนาขันของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิ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 เวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับและสัญญาขันก็ไม่ใช่จักดับปฏิสัญญาขันของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับเวทนาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิบุคคลผู้กาลังปรินิพพานในปัญจะโวการะภูมิสัญญาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับแต่เวทนาขันไม่ใช่ไม่เคยดับ บุคคลผู้กำลังปรินิพานในสุทาวาสภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิสัญญาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับและเวทนาขันก็ไม่เฟยดับนิโรธวาระจบ สปวติวาระ 3. อุปาทานิโรธวาระหนึ่งปัจจุบันนวาระว่าด้วยสภาวะธรรมที่เป็นปัจจุบันอนุโลมบุคคลร้อห้อนุรูปขันธ์ของบุคคลใดกําลังเกิดเวทนาขันธ์ของบุคคลนั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิไม่ใช่ปฏิเวทนาขันธ์ของบุคคลใดกําลังดับ รูปขันของบุคคล น, นั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิไม่ใช่ร้อห้าสิบสอนุเวทนาขันของบุคคลใดกําลังเกิดสัญญาขันของบุคคล น, นั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิไม่ใช่ปฏิสัญญาขันของบุคคลใดกําลังดับเวทนาขันของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิไม่ใช่อนุโลมะโอกาตร้อยห้าสิบห้าอนุ รูปขันในภูมิใดกำลังเกิดเวทนาขันในภูมินั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิในอสัญญาสัตตภูมิในภูมินั้นรูปขันกำลังเกิดแต่เวทนาขันไม่ใช่กำลังดับในปัญจโวการภูมิในภูมินั้นรูปขันกำลังเกิดและเวทนาขันก็กำลังดับปฏิเวทนาขันในภูมิใดกำลังดับรูปขันในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิ ในอรูปภู ม, ใภ ม, ม, ใใมิในภูมินั้น เ, ว, นนนเนวทนา ข, นน Polsce, ญญาขนนันธ์กำลังดับแต่รูปขันธ์ไม่ใช่กําลังเกิดในปัญจโวการภูมิในภูมินั้นเวทนาขันธ์กำลังดับและรูปขันธ์ก็กําลังเกิดร้อหอนุเวทนาขันธ์ในภูมิใดกําลังเกิดสัญญาขันธ์ในภูมินั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิใช่ปฏิสัญญาขันธ์ในภูมิใดกําลังดับ เวทนาขันในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่อนุโลมะปุคโลกาตร้อยห้าสิบเจ็ดอนุรูปขันของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดเวทนาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิไม่ใช่ปฏิเวทนาขันของบุคคลใดในภูมิใดกำลังดับรูปขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิไม่ใช่ ร้ออนุเวทนาขันของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดสัญญาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิไม่ใช่ปฏิสัญญาขันของบุคคลใดในภูมิใดกําลังดับเวทนาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิไม่ใช่ปัจจ尼กบุคคลร้อยห้าสิบเกอนุรูปขันของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิด เวทนาขันของบุคคล น, นั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหมวิบุคคลผู้กําลังจุติจากจตุโวการภูมิและปัญจโวาการภูมิรูปขันของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่เวทนาขันไม่ใช่ไม่กําลังดับบุคคลผู้กําลังอุบัติในอรูปภูมิและบุคคลผู้กําลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิรูปขันของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดและเวทนาขันก็ไม่ใช่กําลังดับ ปฏิเวทนาขัขนของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับรูปขันของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจโวการภูมิและอสัญญสัตตภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับแต่รูปขันไม่ใช่ไม่กาลังเกิดบุคคลผู้กำลังอุบัติในรูปภูมิและบุคคลผู้กำลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิ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 บุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและสัญญาขันก็ไม่ใช่กำลังดับปฏิสัญญาขันของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับเวทนาขันของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังอุบัติในจตุโวการภูมิและปัญจโ ja วการภูมิสัญญาขันของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับ แต่เวทนาขันไม่ใช่มีกําลังเกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิสัญญาขันของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังดับและเวทนาขันก็ไม่ใช่กําลังเกิดปัจจเนกาโอกาตหสิบเอรูปขันในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดเวทนาขันในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหมวิกําลังดับปฏิเวทนาขันในภูมิใดไม่ใช่กําลังดับ รูปขัน์ในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิกำลังเกิดร้ออนุเวทนาขันในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดสัญญาขันในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิใช่ปฏิสัญญาขันในภูมิใดไม่ใช่กำลังดับเวทนาขันในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่ปจเนกปุขโรกาฏ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 บุคคลผู้กำลังอุบัติในรูปภูมิและบุคคลผู้กำลังจุติจากอสัญญัตตภูมิรูปขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดและเวทนาขันก็ไม่ใช่กำลังดับปฏิเวทนาขันของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังดับรูปขัน์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจวโวการภูมิและอสัญญัตตภูมิ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 สัญญาขันของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหมวิ บ, บุคคลผู้กําลังจุติจากจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่สัญญาขันไม่ใช่ไม่กําลังดับบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิเวนบบทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและสัญญาขันก็ไม่ใช่กําลังดับปฏิ สัญญาขันของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังดับเวทนาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังอุบัติในจตุวการภูมิและปัญจวการภูมิสัญญาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังดับแต่เวทนาขันไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิสัญญาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังดับ และเวทนาขันก็ไม่ใช่กำนังเกิดสองอติตวาระว่าด้วยสภาวะธรรมที่เป็นอดีตอนุโลมบุคคลร้อยหกสิห้าอนุรูปขันของบุคคลใดเคยเกิดเวทนาขันของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิใช่ปฏิเวทนาขันของบุคคลใดเคยดับรูปขันของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ 1 6ออนุเวทนาขันของบุคคลใดเคยเกิดสัญญาขันของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิใช่ปฏิสัญญาขันของบุคคลใดเคยดับเวทนาขันของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่อนุโลมะโอการหส 167. อนุรูปขันในภูมิใดเคยเกิดละถึงอนุโลมะปุขโลกาส ร้ออนุรูปขระคันของบุคคลใดในภูมินใดเคยเกิดเวทนาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิ Blue. บุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิรูปขระคันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่เวทนาขันไม่เคยดับบุคคลผู้อุบัติอยู่ในปัญจโวการะภูมิรูปขระคันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและเวทนาขันก็เคยดับปฏิ เวทนาขันของบุคคลใดในภูมิใดเคยดับรูปขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอรูปภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับแต่รูปขันไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในปัญจโวกาลภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับและรูปขันก็เคยเกิดหเกอนุ เวทนาขันของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดสัญญาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิใช่ปฏิสัญญาขันของบุคคลใดในภูมิใดเคยดับเวทนาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปัจจีเกบุคคลร้อยเจ็ดสิบอนุรูปขันของบุคคลใดไม่เคยเกิดเวทนาขันของบุคคลนั้นก็ไม่เคยดับมีไหม วิไม่มีปฏิเวทนาขันของบุคคลใดไม่เคยดับรูปขันของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิไม่มีร้อยเจ็ดสิบเอ็ดอนุเวทนาขันของบุคคลใดไม่เคยเกิดสัญญาขันของบุคคลนั้นก็ไม่เคยดับมีไหมวิไม่มีปฏิสัญญาขันของบุคคลใดไม่เคยดับเวทนาขันของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิไม่มี ปัจเจเนกาโอกาดเจสิบสอนุรูปประคันในภูมิใดไม่เคยเกิดละถึงปัจจเนกาปุคโลกาดอยเจสิบสอนุรูปประคันของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดเวทนาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอรูปภูมิรูปขระคันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิด แต่เวทนาข mm ันไม่ใช่ไม่เคยดับบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทธาวาสภูมิรูปขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและเวทนาขันก็ไม่เคยดับปฏิเวทนาขันของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยดับรูปขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอจรยสัตตภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับ แต่รูปขันไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุดท่าวาสภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับและรูปขันก็ไม่เคยเกิดร้อเจ็ิบสเวทนาขันของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดสัญญาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิใช่ปฏิสัญญาขันของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยดับ เวทนาขันธ์ของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเอิดใช่ไหมวิใช่สอนาคตาวาระว่าด้วยสภาวะธรรมที่เป็นอนาคตอนุโลมบุคคลร้อยเจดสิบห้าอนุรูปขันธ์ของบุคคลใดจกเกิดเวทนาขันธ์ของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิใช่ปฏิเวทนาขันธ์ของบุคคลใดจักดับ รูปขันของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปชิมภวิกะบุคคลผู้กำลังอุบัติและบุคคลเหล่าใดจักอุบัติในรูปภูมิแล้วปรินิพานเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่รูปขันไม่ใช่จักเกิดบุคคลนอกนี้เวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นจักดับและรูปขันก็จับเกิดร้ออนุเวทนาขันของบุคคลใดจักเกิด สัญญาขันของบุคคลนั้นจักดับใช่ไหมวิใช่ปฏิสัญญาขันของบุคคลใดจักดับเวทนาขันของบุคคลนั้นก็จักเกิดใช่ไหมวิปัจฉิมภวิกะบุคคลผู้กำลังอุบัติสัญญาขันของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่เวทนาขันไม่ใช่จักเกิดบุคคลนอกนี้สัญญาขันของบุคคลเหล่านั้นจักดับและเวทนาขันก็จะเกิดอนุโลมโอกาส ร้ออนุรูปขระคันในภูมิใดจกเกิดและถึงอนุโลมะบุคโลกาฏร้อเจ็ดอนุรูปขระคันของบุคคลใดในภูมิใดจกเกิดเวทนาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิรูปขระคันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่เวทนาขันไม่ใช่จักดับ บุคคลผู้อุบัติอยู่ในปัญจโวการภูมิรูปขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นจักเกิดและเวทนาขันก็จักดับปาฏิเวทนาขันของบุคคลใดในภูมิใดจักดับรูปขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปชิมภวิกะบุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจโวการภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอรูปภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับ แต่รูปขัน์ไม่ใช่จักเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในปัญจโวการภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและรูปขันก็จักเกิดร้อสิบเอนุเวทนาขันของบุคคลใดในภูมิใดจักเกิดสัญญาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิใช่ปฏิสัญญาขันของบุคคลใดในภูมิใดจักดับ เวทนาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปชินพระวิตะบุคคลผู้กําลังอุบัติสัญญาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่เวทนาขันไม่ใช่จักเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในจัตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิสัญญาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและเวทนาขันก็จะเกิดปัจจินีกะ บ, บุคคลร้อยแปดสิบ อนุรูปขันของบุคคลใดไม่ใช่จักเกิดเวทนาขันของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิประชิมภวิกระบุคคลผู้กําลังอุบัติและบุคคลเหล่าใดจะอุบัติในอรูปภูมิแล้วปริญิพานรูปขันของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดแต่เวทนาขันไม่ใช่จักไม่ดับบุคคลผู้กําลังปริญิพานรูปขันของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดและเวทนาขันก็ไม่ใช่จักดับ ปฏิเวทนาขันของบุคคลใดไม่ใช่จักดับรูปขันของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จกักเกิดใช่ไหมวิใช่ร้ออนุเวทนาขันของบุคคลใดไม่ใช่จกักเกิดสัญญาขันของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิประชิมภวิกะบุคคลผู้กําลังอุบัติเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จกักเกิดแต่สัญญาขันไม่ใช่จักไม่ดับ บุคคลผู้กำลังปรินิพานเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดและสัญญาขันก็ไม่ใช่จักดับปฏิสัญญาขันของบุคคลใดไม่ใช่จักดับเวทนาขันของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิใช่ปัจจเนกะโอกาสิบสอนุรูปประขัน์ในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดและถึงปัจจเนกะปุขคโลกาศ ร้ออนุรูปประคันของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดเวทนาขันของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิประชิมภวิกระบุคคลผู้กําลังอุบัติในปัญจวโวการภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอรูปภูมิรูปประคันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดแต่เวทนาขันไม่ใช่จักไม่ดับบุคคลผู้กําลังปริญิพาน รูปขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จากเกิดและเวทนาขันก็ไม่ใช่จากดับปฏิเวทนาขันของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จากดับรูปขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จากเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จากดับแต่รูปประคันไม่ใช่จากเม่เกิดบุคคลผู้กาลังปรินิพาน เวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับและรูปขันก็ไม่ใช่จักเกิดร้อปดสอนุเวทนาขันของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดสัญญาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิปชิมพวิกระบุคคลผู้กําลังอุบัติเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดแต่สัญญาขันไม่ใช่จักไม่ดับบุคคลผู้กําลังปริญิพาน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 แต่รูปขันไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจโวการภูมิและอสัญญัตตภูมิเวทนาของบุคคลเหล่านั้นเคยดับและรูปขันก็กำลังเกิดในอุปาทวาระท่านจำแนกขันธยมะกะสุนปัจจุบันกับอดีตไว้ฉันใดในอุปาทนิโรทวาระนี้ก็พึงจำแนกฉันนั้น 5. ปัจจุปันนากนาคตวาระ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 เวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่รูปขันไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้กําลังอุบัติในปัญจโวการภูมิและอสัญญสัตภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นจักดับและรูปขันก็กําลังเกิดร้อเจอนุเวทนาขันของบุคคลใดกําลังเกิดสัญญาขันของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิใช่ปฏิสัญญาขันของบุคคลใดจักดับ เวทนาขันของบุคคลนั้นก็กาลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กาลังอุบัติและบุคคลผู้กาลังอุบัติในอสัญญาสัตตภูมิสัญญาขันของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่เวทนาขันไม่ใช่กาลังเกิดบุคคลผู้กาลังอุบัติในจตุวการภูมิและปัญจวการภูมิสัญญาขันของบุคคลเหล่านั้นจักดับและเวทนาขันก็กาลังเกิดอนุโลมโอกาส ร้ออนุรูปขันในภูมิใดกําลังเกิดและถึงอนุโลมปุขโลการ้อสิบอนุรูปขันของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดเวทนาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิบุคคลผู้กําลังอุบัติในอสัญญาสัตตภูมิรูปขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่เวทนาขันไม่ใช่จักดับ บุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจโวกรภูมิ rolls. รูปขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและเวทนาขันก็จากดับปฏิเวทนาขันของบุคคลใดในภูมิใดจากดับรูปขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังจุติจากปัญจโวกรภูมิและบุคคลผู้กำลังอุบัติในอรูปภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจากดับ แต่รูปขันไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้กาลังอุบัติในปัญจกวการภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและรูปขันก็กําลังเกิดร9อเกอนุเวทนาขันของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดสัญญาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิใช่ปฏิสัญญาขันของบุคคลใดในภูมิใดจักดับ เวทนาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังจุติจากจดตุโวการภูมิและปัญจะวการภูมิสัญญาขันของบุคคลเหล่านั้ น, น, นในภูมินั้นจักดับแต่เวทนาขันไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้กำลังอุบัติในจดตุววการภูมิและปัญจะวการภูมิสัญญาขันของบุคคลเหล่านั้ น, น, นในภูมินั้นจักดับและเวทนาขันก็ ก, ลกญญาลังเกิด ปัจเนกะ บ, บุคคล 191. เก้าออนุรูปขันของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดเวทนาขันของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติและบุคคลผู้กำลังอุบัติในรูปภูมิรูปขันของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่เวทนาขันไม่ใช่จักไม่ดับบุคคลผู้กำลังปรินิพานรูปขันของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิด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 รูปประขันในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดละถึงปัจเจเนกะปุคโลกาฏร้ 194. อกาสิบสอนุรูปขันของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดเวทนาขันของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดาบใช่ไหมวิบุคคลผู้กําลังจุติจากปัญจะโวการะภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอรูปภูมิรูปขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิด แต่เวทนาขันไม่ใช่จักไม่ดับบุคคลผู้กําลังปรินิพานและบุคคลผู้กําลังจุติจากอสัญญัตตภูมิรูปขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและเวทนาขันก็ไม่ใช่จักดับปฏิเวทนาขันของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับรูปขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กําลังอุบัติในอสัญญัตตภูมิ เวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับแต่รูปขันไม่ใช่เมื่อกำลังดับบุคคลผู้กำลังปรินิพานและบุคคลผู้กำลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับและรูปขันก็ไม่ใช่กำลังเกิดรอยก้อนุเวทนาขันของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดสัญญาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหม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 สัญญาขันของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับเวทนาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่ 6. อติตานาคตะวาระว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นอดีตและที่เป็นอนาคตอนุโลมบุคคลร้อยสหอนุรูปขันของบุคคลใดเคอเกิดเวทนาขันของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิ บุคคลผู้กำลังปรินิพานรู ป, ปขันของบุคคลนั้นเคยเกิดแต่เวทนาขันไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้รู ป, ปขันของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและเวทนาขันก็จักดับปฏิเวทนาขันของบุคคลใดจักดับรู ป, ปขันของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ร้ 197. ออนุเวทนาขัน ข, ของบุคคลใดเคยเกิด สัญญาขันของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังปรินิพานเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่สัญญาขันไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้เวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและสัญญาขันก็จักดับปฏิสัญญาขันของบุคคลใดจักดับเวทนาขันของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่อนุโลมโอกาส ร้ 198. ออนุรูปประคันในภูมิใดเคยเกิดและถึงอนุโลมปุคโลก 199. อกาสิบเอนุรูปประคันของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดเวทนาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังปรินิพานในปัญจวัการาภภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตภูมิรูปประคันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิด แต่เวทนาขันไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในปัญจโวการภูมิรูปขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและเวทนาขันก็จักดับปฏิเวทนาขันของบุคคลใดในภูมิใดจักดับรูปขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กําลังอุบัติในสุดทาวาสภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปภูมิ เวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่รูปขันไม่เคยเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในปัญจวโวการภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและรูปขันก็เคยเกิดสองออนุเวทนาขันของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดสัญญาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังปรินิพาน เวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่สัญญาขันไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในจตุวการภูมิและปัญจวการภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและสัญญาขันก็จักดับปฏิสัญญาขันของบุคคลใดในภูมิด้จักดับเวทนาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กาลังอุบัติในสุทธาวาสภูมิ สัญญาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่เวทนาขันไม่เคยเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในจตุวการภูมิและปัญจะวการภูมิสัญญาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและเวทนาขันก็เคยเกิดปัจจเนกาบุคคลสองอนุรูปประขันของบุคคลใดไม่เคยเกิดเวทนาขันของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับมีไหม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 วิเคยเกิดปัจจเนียกะโอกาสองรอนุรูปประคันในภูมิใดไม่เคยเกิดละถึงปัจจเนีกะปุขโลกาส20รอนุรูปประคันของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดเวทนาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังอุบัติในสุทธาวาสภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอรูปภูมิ รูปขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเมื่อเคยเกิดแต่เวทนาขันไม่ใช่จักไม่ดับบุคคลผู้กำลังปรินิพานในสุทธาวาสภูมิและอรูปภูมิรูปขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและเวทนาขันก็ไม่ใช่จักดับปฏิเวทนาขันของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับรูปขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิ บุคคลผู้กําลังปรินิพานในปัญจะโวการะพูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับแต่รูปขันไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้กําลังปรินิพานในสุทาวาสภูมิและอรูปพูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับและรูปขันก็ไม่เคยเกิดสอง้ยห้าอนุ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 สัญญาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับและเวทนาขันก็ไม่เคยเกิดอุปาทิโรทวาระจบปวติวาระ